หลังกายมันซุดส้มลงอยู่เรื่อยด้อยากขึ้นว่ามันจะของอยู่าําเกาจะของเทาลงอยู่เรืมม่อยซุกปูทุกค้นนี่แหละเทาลงเทาลงเทาลงซุ่มมืออันใดพ่อสีเฮ็ดได้เหลือเฮ็ดเฮ็ดอั้มันจีเป็นประโยชน์เนี่ยมันเป็นโคตเป็นไผยังสิไปเฮ็ดมาใส่ถ้เฮ้าเฮ็ดมานี่ยมันพ่อแห้งเลีวละ่ะมันหลาแล้ว เฮ็ดเนียมันเป็นประโยชน์เนี่ยมันจิเป็นบุญแนวมันจิได้เอาไปนัาหร่างกายนี่มันบ่บ่ไปใช้อื่นดอกมันไปตายมันจิตไปตายเนี่ยว่า พ, พื้นตายเรื่อยๆเห็นมันเขาใจเนี้ยอันว่าตายเนี่ยใจเฮ้าเนี่ยซ้อมบึงเป็นยัง มันบกคือว่ามั น, นดีตายแค่เครือเด้่นี้มันคือประเทศสีม้วนไปเรื่อยนี่จะน้อยกินเขาแล้วนี่ก็ไปม้วนมันไปม้วนนีเรื่องแบบบริษัคือใจแก่เครือว่าตายแต่ว่าตายนี่มันมันแน่แท้แท้เรืหล่ะมันชัดเยนว่ ม, มีอันใดรุดอันใดรอดเนีเข้าคุดเลขเงี้ยเลขมันหลายหลายคั้งแล้เจอเขาห ล, ลงตัวนั่นหลงตัวนนี่อยู่เดื ไม่ว่าตายโบหลงจะเชื่อในที่สุดตายรวดจนใดเขากับเป้าด้วยเป้าเพราะว่าเขามันมาไก่แล้วไก่มองมันแล้วไก่ซ้ำได้แบบนี้เอากข้ใกล้ท่านนี้แล้วเนี่ยเมฆมัมนยู่นี่แหละเมฆวัด น, นี้มัเปร้ย ม, มันตายนี่จะเอาไปจูดมีได้รวดเนีย่ยไก่เขาแห้งแล้วไก่เขามันกวนนั้นอีกก่ะ ขันห้าเป็นทองเป็นไทรทองเสียเป็นอันธีว่าบอกเป็นนันสนิทสายท่านที่ก็ไดะไร่รนมันไก่พันนี้เด็ดไก่เข้ามาอีกกับหันใจเขาเนี่ยว่าหันใจออกกับผตายต่ำหันใจออกว่าหันใจเขาตายต่ำอีกแม่มันมาอยู่ใกล้ๆนี้ซ้อมไปเรื่อยอันนี้ขัซนซ้อมแล้วโอ้มันป้าวหรือตัวเดียวเสร็จนฮัทเห็ดจใจจบบล็องหมด ให้มันนิสติไอ้นี่สัมปัชญะไห้นี่สมาธิให้มันใจมันคุนอย่าใจมันโล่โล่เล่เล่อย่าใจมันอย่าใจหา่างใจหืเนอย่าใจอ้อนใจคุดย่าน ค, คุดวัดคุดวันอย่าพยายานมันอห่คุดว่าบะเข้าส่งใจอยู่แล้วนี่ใจอยู่มันอยู่พงอยู่เทียงอยู่หอมอยู่เย็นแล้วนี่มึงมาวะนี่ยังก็ได้ บ่ิยานก็ยางปวดแคงปวด้าเนี่ยถึงมาแล้วบริยานเย็กไปเด็กปวยหลายกว่าหนึ่ไไกนงกมาวนี่นี่ปัญใจเข้ามันแล้วอันอีอยัางมากมันสิดเด็เบิงมันสิดด็เบิงคาคาเพราะพูดไเจ่า ว, วาทุกเป็นจริงข่วนกำหนดรูแต่กี่เข้าวันเด็กําหนดรูจะเชื่อเพราะจะว่าทุกเหล้าแล่นไปหาหมอเลย มันว่าจะเป็นแนวกเส็นแต่ยันเฝ้าไปหาหมูหลดบอดีเบิงมันขัดขัดก็เกือบาดหนี้มันใจเห่ามันใจเห่าทุนแล้วเนี่ยบอดีเบิงเนี้ยบ่โอ้มันเป็นยังไดงทุกเนี่ยไข่นี่มันเป็นยังไดงมันขิ้เศร้าปน้อมันขียื่นไปหนาปน้อมันคึ้มันก็ะคาดังเศรษฐินดอกโอ้ยมันบัวเทอนี่เศ้า เตาของคุณมีเต้าแจบเต้ามดเต้าก็ยังเหลืออยู่แน่ให้เท่านั้นแหละแล้วเดินไปมันเป็นอีกแี่หนี่งโอ้มันพอเต้ามืดซอกนี่มันตินเป็นอีกอยู่ในที่สุดมันมั่นสายตัวว่ามันเสีอในที่สุดมันลงหันละ่ะมันที่แต่ละหน้าไปใส่ไปใสเแต่เอเ้ยย็บกับทางกับไก่ห้องที่พิจารณาหน้าตาบอกหูบอ ก, บอกจมูกลิ้นกายน้ําแขนน้นํำขาน้ํามุนนอง น้ำปอดน้ำตับมุนี้พิจิลล่าหน้าวิแต่เปิดทอดทุ่งไทยมัน ล, ล่วลอะมันลงตายตายย้อนมันได้ทั้งนั้นเป็นโรคปอดนี่ติดก็ตายย้อนได้เป็นโรคตับ ก, กับตายย้อนดิจิลล่าหน้าเห็นแล้วโอ้ไม่สิสุดมันบม่มีอันไดหวังมันใดดอกอย่าสิไปเสียเวลาอยู่แล้ววัดยสิไปเสียเวลาสวยเฮาาจันอันมาทําใจทําใจหสงบใส่ใจสงบกระต้อมันนี่ มันเป็นแต่ชิมหรือเป็นแต่เอาไว้ฮหเนี่ยอันใจสงบแล้วมันนั่นดอกชอบเห็นดอกผู้ยมันว่เป็นแต่เอาเนี่ยว่เป็นแต่เอากับชิมแล้วไม่ได้ิมออกชิมออกชิมออกชิมออกให้นเนี่ยอันแนวมันเคยหนักๆอยู่ชิมออกเข้าชิมออกหนีเลยไม่ค่อยเบาออกเบ า, อ อ, บ า, อ, อ, บาออกเบาออกเด้อันใจหอดวางหนึ่งหนึ่งชิมออกมืดเดียวเ่ยมดเลยเมื่อเพืนนี่ ท่านอาจารย์ไพโรดเทศให้นบ้างว่าหลวงปู่มหาท่องอินเป็นย่บสัตรีถ้ำเพื่นป่วยหลายป่วยมาเจ็ดแปดปีพุน่นน่ยแต่เข้าเบิงงข้างนอกนี่คือว่าเคืออยากได้นั่นอยากได้นี่อยู่ทนทําบุญน เ, นเขาถวายหน่อยผมคิดจะจมอยู่เพราจันอ้าวบาสเป็นมรณะผาามาบ้านี่ ไปเผาโหลอธิษฐเป็นพระธาตุใส่หม่องแล้วกันเนี่ยอาจารย์มหาต้องยินเนี่ยเพื่อยู่นําเฮาคึกกันนี่ละว่าวเขาว่าคึกกันนี่ละโอ้ไปถวายน้อยแท่มาถวายหลายแท่คึกกันนี่ละแต่ว่าใจเพื่นผิดอย่างนึงเด้ใจเพื่นซ้อมยูหันเห็ดใจสงบเห็ดใจนิ่งเห็ดใจปล่อยเฮ็ดใจว่างได้ยูหันได้บัณนั่นล่ะทําผู้จี่เห็ดเป็นวะผู้จีได ยัใส่หก็ีเห็ดได้เหือกันด้วยนั่งอยู่น่งเป็นยังกะตั้กับเห็ดไปคือมูบ่คือมู่นและแต่ว่าใจเขาเป็นอีส่วนหนึ่งในใจเขาคือแบบอ๋คู่่ตาบุ้งดอกคูบ่เอาดอกูพี่สีออกนมูซื้อไห้ใบยังสั่นแต่ในใจพี่หลีเข้าเหไฟอยเหว่างไห้มันได้เยอะอันฟอยได้้างได้แล้วใส่มองแล้วดอก วางมันเฉียวก็บมิยูนี่มานั่งกอดจอดแจะอยู่นี่นั่งอยู่นี่มใจอยู่สูู่่สูปนีเป่าซะเปล่าซุขเปาขนซึกขนสติป่วมระลึกระลึกควมผูเมื่อผูเมื่อใจเจ้าฟองน ย, อย่าไปผู้เมื่อไกอ่าไปเห็นไก่าไปซ้อมไกซ่อมมาใจเจ้าองเนี่ย ก็มึงว่าคูหันใจอยู่บ่อเดนี้หันใจเขาบ่อหันใจออกบ่อซ้อมท้านั่นล่ะซ้อมมันก็สูงหงมือโอ้หันใจเขายตัวเนี้ยหันใจออกยตัวเนี่ยเฉยบางทั่นหละนี่หละควมรูเท่านั้นนี่หละควมรูเบื้องตนจะขี่บหูเด้มรูนีู่จะคองหันใจบึมีไพหูอนี่มานั่งอยู่เนี่ยตนเาเด็กซ้อมเขาจะหูจักรวาหันใจ แต่ที่นี่ขันซ้อมโดนดนนะนี่ขันใจเข่าหูขันใจออกหูยูโดนโดนเขาเอื่นว่าสมาธิขันซ่อมยืดจงสั่นดนดนแล้ยใจมันบดีนบวกลใจมันโฮมเย็นใจมันหมันมันคงได้บัดนั่นแะบัดไม่ที่หมันคือโคงมันหมันยอนอย่างเงี้ยละขันใจมันคงแล้วไปซ่อมเบื้องเรื่องมันเป็นแตะย่านเรื่องเ็บเรื่องป่วยเฮ้ยมันบระหยัดอกประหยัดไม่เห็นอย่ง มันกับเป็นเนี่สั่นมาดนแล้วเขาหมดพืว่ามันพิเศษมันแดกมันมาเป็นน้ําเข้าเนี่ยมันบอกเป็นเป็น้ําเข้าเด้อมันเป็นน้ําผู้อื่นกับเปลนมาพอแห้งอ่ะหุ่งก็เป็นแต่ย่านตัวเพราเป็นเก้าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาตัวเนียวจันท์กะใจมันก็สบายศาสนาพระโคดจเจ้าคุนว่าทุกเป็นจริงข่วนกำหนดรูขันเข้าบระกอบกำหนดรูเขาก็พี่แต่ย่านย่านกระแล่นนี้ ย่านกระทุกแต่เทาเบิ้งคาคาหวยมันไ่เปลี่ยนแต่ย่านตัวาเลยแต่เท่าทุกคนจ้ะนี่แหละมองมันดีเท้าทุกเนี่มันอยู่นี่แหละเด้อบางท่านมันนั่งยู่ที่เด้ตั้งแต่พระยะถาวารีมหาหลักว่าได้บุญโลดมันได้หน่อยท่านนะมันมีหลายคนนั่งยู่อยากให้ได้มันตั้งใจดีๆเอาได้หลายคนนั่นมันพอจะได้ยู่นะให้เท่าเนี่ย